อายอมพนมมือขึ้นนะสวดมนต์กันอิติปิโสภะคะวะราหังสามพุทโววิชาจรณะสามปันโนโรคะวิทุอนุตตโรปุริสธรรมราติสาธาเดวมนุษ พุทโธภาคะวัติสวาก็โตภาคะวตาทัมโมอากาลิโกเอหิปัสสิโกปะนาญิโกปะจัตตังอะพุวิญญูหิติสุปัติปันโน วักขสังโฆปุจปฏิปันโนสังโฆญาญาปาิปันวัตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนสาวกสังโฆญาทิทางจาตตาริภุริสัญุคานิอัต เอสาขาวโตสาวะกะสังโฆอาหูนายโยปางหูนายโยขีนายโยอัญชริคารนียโยอนุตรงปุญญกโลกาสาัตติคราวนี้มองไปที่พระคันกุดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้เรามานั่งอยู่ในบริเวณ ที่ประทับของพระบรมศาสดาที่ทรงประทับถึง19พันษาณสถานที่ตรงนี้เราท่านทั้งหลายมาพิจารณาว่ากว่าที่พระบรมศาสดาจะได้ตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณนนะันะพระศาสดานั้นทรงบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวไกลนะไม่ใช่บำเพ็ญบารณีมาแบบเล็กน้อยเลยนะ ขอเราท่านทั้งหลายตั้งใจในการที่นะมณสตราบบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะตั้งนะโมขึ้นนะโมตัสสะบรรกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะบรรกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะบรรกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระนราสภาผู้ทรงบำเพ็ญบา ร, รมีสามสิบทัศนับพบนับชาติไม่ท่วนสเสด็จมาดีแล้วข้าพระเจ้าขอไหว้พระนราสภา ผู้ประเสริฐพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวอยู่เป็นนิสพ้าเนตพผ้านาถาทรงปรารถนาโมกษธรรมสระพระราชโอรสพระมเหสีพร้อมทั้งแวนแขวนถวายเป็นพุทธบูชาแล้วทรงรื่นลมในภัยสนข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถผู้ทรงทาสิ่งที่ทำได้ยากอย่างยิ่งพระองค์นั้นด้วยเสียงกราวพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพญานันยิ่งใหญ่เสด็จเข้าไปใกล้ควงไม้โพธิพึกข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้ พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอือเ้อเฟื้อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชนะมารทั้งหาพร้อมทั้งกองทัพได้แล้วอย่างสิ้นเชิงด้วยอารหัตมรรมขยานทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระจอมมุนีทรงประทับยืนณสถานที่อันประเสริฐพระศาสดาทรงคลายอมิตรทั้งหลายแล้วพระไตรโลกนาถ ผู้เปรียบเสมือนเสาเขื่อนนั้นมั่นคงถึงพร้อมด้วยฉับพันรรังสีข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหวพระไตรโลกนาถพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟือ้อพระจอมมุนีผู้ประเสรศิฐมีพระรัศมีฉับพันรรังสี แผ่ซ่านมีบุญญาพินิหารมากข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระจอมุูนีพระองค์นั้นพระนาถาเจ้าพระองค์ใดทรงรุ่งโรจน์อยู่ด้วยขายพระรัศมีกาวคือฉับพันณลังสีข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้ พานาถาเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอือเ้อเฟื้อพระศาสดาทรงกำจัดอวิชชาความมืดทรงคุณธรรมหาที่สุดไม่ได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระองค์นั้นข้าพเจ้าทั้งหลายมาบูชาพระศาสดา มาบูชาสถ า, านที่ที่พระบรมศาสดาทรงใช้สอยแล้วพระบรมพระบรมศาสดาผู้ทรงเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่สเสด็จประทับณนะสถ า, านที่แห่งนี้เป็นเวลาส9พรรษาประทับที่ปุภารามเป็นเวลา หกพันษารวมเป็นย5่สห้าพันษาข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระบรมศาสดาพระองค์นั้นพร้อมสถานที่เหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงปกครองสงมีพระปัญญาอันยิ่งใหญ่ ประทานอมตะแกมหาแกมหาชนส่วนใหญ่ประทับที่วิหารเชตวันนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมพระวิหารเชตวันแห่งนี้โดยใจเคารพเอือเ้อเฟื้อ ให้เราท่านทั้งหลายในการที่จะนอบน้อมปนมมือไว้นีปนมมือไว้อยู่ตลอดเวลาเรามานั่งอยู่ในพระคันตกุดีของพระบรมศ า, ศาสดาแล้วพระบรมศาสดานั้นน่บำเพ็ญโพธิสมภารใ น, เ, นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นน่าพิศวงอันไพบูรณ์ไม่มีมนทินเป็นโพธิสมภารอันเป็นเหตุ เป็นที่ตั้งแห่งความผิดสวงอย่างยิ่งไม่ได้ฟังไม่แม้แม้ได้ฟังแม้ได้คิดถึงก็เกิดให้เกิดความตั้งมั่นได้ถ้าถามว่าพระมาหาบุรุษสวยพระชาติเป็นกระต่ายวิ่งเข้ากองไฟสวยพระชาติเป็นครุดนอนตะแคงข้างแล้วก็ปิ้งเนื้อของตนบนฐานเพลิงให้เป็นทาน สวยพระชาติเป็นพระเจ้าศิวิราชก็ได้ควักดวงตาทั้งสองให้เป็นทานเป็นต้นแม้การที่จะเชื่อว่าเชื่อว่าใครๆจะสามารถทำได้ก็ยังยากเพราะฉะนั้นจึงน่าพิศวงอันภัยบูรณ์อย่างมากมายก็คือว่ามากยิ่งพระโพธิสัตว์ได้ให้โลหิตเป็นทานจนกระทั่งน้ำในมหาสมุทร ทั้งสีพ่ายแพ้ให้เนื้อเป็นธานจนกระทั่งแผ่นดินทั้งหลายพ่ายแพ้ให้ศีรษะเป็นธานจนกระทั่งภูเขาสิเนรุ่งพ่ายแพ้ไม่มีมนทินได้แก่เว้นจากมนทินคือราคะเว้นจากมนทินคือโทสะเว้นจากมนทินคือโมหะเพราะพระโพธิสัตว์เวสสันดรตรัสว่า เมื่อเราคิดถึงความเป็นจริงจิตของเราก็ตั้งมั่นไม่หวันไหวความไม่วันไหวในการให้ศรีรษะเป็นต้นย่อมไม่มีนั่นเทียวขอท่านทั้งหลายจงตั้งจิตในการที่จะนอบน้อมละลึกถึงเรื่องราวของพระบรมศาสดาเพราะจิตเป็นสภาพไม่หดหู่คงสภาพเว้นจากโทษมีโลภะโทสะโมหะ ถ้าถามบอกว่าถ้าให้ราคาโทสะโมหะเข้ามากุ้มรุมจิตมันมีโทษฉะนั้นก็คำจัดจิตที่มันมีโทษออกเสียพระบรมศ า, ศาสดาทรงบำเพ็ญบารมีเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณอย่างกว้างขวางเราท่านทั้งหลายมาพิจารณาถึงในลักษณะอย่างนี้แล้วจะได้นอบน้อมพระบรมศา ส, าสดาให้มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไป ถ้าพระพิจารณาอย่างนี้พระศ า, าสดาบำเพ็ญบารมีท่านค้นคิดหาพุทธการกธรรมจากสิบทิศหรือข้างนี้ข้างบนข้างล่างตลอดทั่วธรรมธาตุครั้งนั้นท่านก็เห็นทานบารมีเป็นข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นทางที่จะได้บำเพ็ญของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในปางก่อนผู้สแสวงหาคุณนั้นยิ่งใหญ่ ท่านก็อบรมสั่งสมเตือนตนเองว่าท่านจงยึดทานบรมีเป็นข้อที่หนึ่งบำเพ็ญทานบรมีให้มั่นคงถ้าท่านปราถนาจากบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณท่านจงบำเพ็ญทานบรมีเถิดหม้อที่เต็มด้วยน้าซึ่งผู้ใดผู้หนึ่งจับคว่มลงน้ำไหลออกหมดไม่ขังอยู่แม้ชั้นใดท่านทั้ง ท่านที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเห็นคนชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงจงให้ทานอย่าให้เหลือดุดหม้อน้ําที่เขาคว่ำลงฉันนั้นท่านก็มาพิจารณาวากว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านต้องให้ทานอย่างมากมายรักษาศีลอย่างมากมายจเจริญเนคขมะปัญญาเป็นต้นอย่างใหญ่หลวงเราท่านทั้งหลายมาพิจารณาอย่างนี้จะได้เห็นว่า เราโอกาสอันดีของเราท่านทั้งหลายได้มาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแล้วได้มาเฝ้าพระาศาสดาถึงที่ประทับตั้งจิตให้เลื่อมใสนะนอบน้อมพระาศาสดาเห็นไหมว่าทุกคนเขาก็ปรารถนาจะกบาบูชาพระาศาสดากันทั้งนั้นเนี่ย แต่ถามว่าใครโน้จะมีจิตใจที่มั่นคงได้ใครจะตั้งมั่นได้แต่ละคนได้บุญไม่เท่ากันนะบางท่านมาก็มาวิตกกังวลแต่เราอยังให้ใจเราเป็นอย่างนั้นบุคคลทุกคนที่มานี้มันก็คือกระแสของตาหูจมูกลิ้นกายใจกระแสตาหูจมูกลิ้นกายใจของท่านเหล่านี้ ที่เป็นไปแก่การกายกรรมวัจีกรรมและมนโนกรรมถ้ากายกรรมของเขาเป็นสุจริตสามวัจีกรรมของเขาเป็นสุจริตสีมนโนกรรมของเขาเป็นสุจริตสามจิตของเขาไม่โลภจิตของเขาไม่โกรธจิตของเขามีปัญญามีศรัทธาตั้งมั่นนอบน้อมศาสดาเราก็น้อมโมทนาบุญของเขาเหล่านั้นน้อมบุญทนาบุญของเขาว่าเขาได้ดีแล้วเนี่ย เขามาไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาต้องการบุญเราท่านทั้งหลายก็ต้องการบุญทุกคนก็ต้องการบุญทั้งนั้นเขาทำผิดทำถูกแล้วก็อย่าไปโกรธเคืองเขาเขาจะมาเข้าใจผิดเข้าใจถูกแต่เขาก็มาเฝ้าพระศาสดาแล้วใจที่เขาเลื่อมใสแม่น้อยนิดเนี่ยก็จะเป็นอัธยาศัยเขาพ้นจากวัฏทุกข์ุกได้ถ้าเราเข้าใจความจริงของชีวิตอย่างนี้เสีย เราก็จะได้นอบน้อมบูชาแบบไม่ขัดเคืองเรามานั่งที่จะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้พระาศาสดาผลิตพระธรรมออกอย่างมากมายทรงสแสดงพระธรรมอย่างกว้างขวางพระสูตรที่ออกมาในที่เชตวันมหาวิหารมีมากมายนะเราท่านทั้งหลายพิจารณาอย่างนี้จักได้เห็นว่า พระศาสดานั้นเป็นศาสดาเอกของโลกจริงๆเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้เราท่านทั้งหลายได้มานั่งในพระคันกุดีของพระผู้มีพระภาคเจ้านับว่าเป็นบุญญาลาบแล้วชีวิตที่ไม่ตายไปก่อนไม่แตกดับไปก่อนได้นำกระแส ข, ของตาหัวจมูกลิ้นกายใจที่มันแตกดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยให้มานั่งแตกดับในที่ที่เป็นอุดมมงคคอย่างนี้ ในที่ที่พระศ า, าสดาทรงประกาศพระธรรมออกอย่างกว้างขวางเราท่านทั้งหลายมานะสถานที่ตรงนี้เราก็เห็นอิฐเห็นหินเห็นดินเห็นทรายแต่ถามบอกว่าเราจะแปลเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ <S <S ให้เห็นคุณของพระรัตนตรยัยเห็นคุณของพระศา ส, าาสด า, สดา <S <S ได้ไหมว่าพระอนน์เดินวนรอบพระคันตะคูดีในวันละสิบเรอบเพื่ออุปถากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเราล่ะมานั่งหน้าที่ตรงนี้เราเอาอะไรมาอุปถากคพระศาสดาเอาอะไรมาบูชาพระศาสดาบ้างถามจิตใจตนเองตอนที่พระบรมศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วท่านพระอา น, นุนพร้อมด้วยภิกษุสองมู่ใหญ่<ล>ก็จาริกเดินทางมาจากกุศินาราเพื่อมาที่เชตวันมหาวิหารเหล่านี้แหละ พอเข้าไปในพระคันตกุดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระน น, นก็เห็นเตียงเก่าๆ เ, เห็นดอกไม้แห้งๆเห็นสถานที่ต่างๆเหล่านี้ ล, ลกลุงลังกุฏิเวียหารก็มีอยากเยื่อขึ้นเต็มไปหมดท่านพระน น, นมาก็มาซบศีรษนะกราบพระบรมศาสดาบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้ า, พ, าพระเจ้ามาเฝ้าพระศา ส, ส, สดาแล้ว ทำไมพระศาสดาไม่ลุกขึ้นมาฟังข้าพเจ้าบ้างอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านก็มาเช็ดมาปัดมากวาดมาเตียงตังบรรทมเก็บดอกไม้แห้งๆออกบูชาพระศาสดาแล้วก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาแห่งการสงสนานพระวรากายแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เวลานี้เป็นเวลาแห่งการทบินปินทบาทแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาแห่งการแสดงพระสัตธรรมแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาแห่งการเสด็จจงกรมแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาแห่งการพักผ่อนอียาบทแล้วเป็นต้น ท่านผ้านนท่านก็ภาลานาคุณของพระาศาสดาไปเ ร, เรื่อยๆเนี่ยแปลว่าท่านผ้านนท่านเห็นอะไรท่านเห็นคุณของพระาศาสดาไม่ว่าพระาศาสดาจากปรินิพานหรื อ, อยังมีพระชนอยู่ท่านผ้านอนเคยปฏิบัติตอบพระาศาสดาอย่างไรท่านก็ปฏิบัติเสมอเหมือนหนึ่งพระาศาสดายัางทรงพระชนอยู่อย่างนั้นเราท่านทั้งหลายมาณสถานที่ตรงนี้เราจะรับใช้พระาศาสดาอย่างไร เราจะปัดกวาดเช็ดถูจะดูแลจะเดินเวียนรอบพระคันทกุดีของพระาศาสดาดอกไม้ของหอมมาบูชาทำกายให้สะอาดทำวาจาให้สะอาดทำใจให้สะอาดนอบน้อมบูชาพระาศาสดาแผ่นดินไม่มีใจยังสะเทือนสถานหวั่นไหวในวันที่พระาศาสดาประสูตรตัสลุสแสดงธรรมจกักปรงพระชนมายุสังขารเสด็จดับขันธปนินพาน เราท่านทั้งหลายจิตใจเรามีเราต้องนอบน้อมาษาสดาให้เป็นนะเราอุตส่าห์เดินทางรอนแรมมากว่าจะได้มีโอกาสมาเฝ้าศ า, าสดาวันนี้จะต้องลาวันนี้จะต้องกลับเนี่ยเรามานั่งบูช า, าษาสดามานอบน้อมอย่าไปเห็นแก่ความเหน็ดความเหนื่อยอย่าไปได้เห็นแก่สรีระที่มันไม่มีสาระนี่เลยอยากบูชาศาสดา อย่างไรก็นอบน้อมด้วยใจของท่านทั้งหลายประมวลความคิดบูชาตั้งใจนะอย่ามาทำบาปกับพระคันเหกดีของพระผู้มีพระภาคเจ้านอบน้อมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพด้วยความอ่อนน้อมด้วยความผ่องใสในจิตใจว่าข้าพเจ้าเป็นภิกษุข้าพเจ้าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าจาก พัฒนากระแสความคิดของตอนเองนะืคือกายวาจาใจให้สะอาดผ่องใสยิ่งยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าจะตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากไม่ดีมาเป็นสิ่งที่ดีงามให้ได้ข้าพเจ้ามาเฝ้าพระาศาสดามาในครั้งนี้ข้าพเจ้าตั้งใจมานานข้าพเจ้าตั้งใจในการที่จะนอบน้อมพระาศาสดาอย่างแท้จริงข้าพเจ้าไม่ใช่มาเพื่อต้องการเล่น ข้าพเจ้าไม่ใช่ต้องการมาต้องการเที่ยวแต่ข้าพเจ้าต้องการที่จะมาเป้าพระาศาสดามาฟังธรรมของพระาศาสดามานอบน้อมพระาศาสดามาละลึกถึงคุณของพระาศาสดาข้าพเจ้าเคยปฏิบัติผิดต่อพระาศาสดามามากมายนะักเคยกระทำกายทุจริตเคยฆ่าสัตว์รักทรัพย์ เ, เคยประพฤติผิดในการาพูดเท็จสอ่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจ้อเคยโลภเคยโกรธเคยหลง มาวันนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจเอาสุจริตสามคือเอากายสุจริตเอาวาจาสุจริตเอาใจสุจริตมาถวายเป็นพุทธบูชาข้าพเจ้าจักนําเอาดอกไม้ของหอมเอาผ้าเอาผ้าตรายจีวรที่มีสีงดงามถวายเป็นพุทธบูชาไม่พอข้าพเจ้าจะทําใจของข้าพเจ้าให้เลื่อมใสให้ยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไป ทำเวรียาสติสมาธิปัญญาทำสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบไม่เกิดขึ้นสัมมาสังกปะความดำริชอบไม่เกิดขึ้นทำสัมมาวาจาคือจะกล่าววาจาที่เว้นจากวจีทุจริตสีข้าพเจ้าจาักไม่พูดเท็จจักไม่พูดส่อเสียดจักไม่พูดคำหยาบจักไม่พูดเพ้อเจอ้อข้าพเจ้ามาสมาทานต่อพระาศาสดาว่าข้าพเจ้าจะตั้งมั่นในวจีสุจริตด้วยมีปัญญานำ มีความเห็นถูกนั้นแนะนําข้าพเจ้าจะมาทำกายสุจริตสาข้าพเจ้าจะมาละกายทุจริตข้าพเจ้าจากไม่ฆ่าสาัตว์ไม่ลกักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมจะให้มีปัญญาคือความเห็นชอบนำกายทุจริตสาวาจีทุกายสุจริตสวจีสุจริตสีจะมีความดําริก่อนที่จะพูดแต่เป็นความดําริที่ชอบประกอบไปด้วยบุญด้วยกุศล ถ้าสิ่งใดที่เป็นไปตามคุณของภาษาสดาข้าพเจ้าจะน้อมเปล่งวาจากล่าวถวายเป็นพุทธบูชาข้าพเจ้าจะเลี้ยงอาชีพที่ชอบเว้นจากอาชีพที่เป็นมิจฉาอาชีวะทั้งหลายข้าพเจ้าจะไม่ค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษค้าขายสัตว์เป็นค้าขายเครื่องประหารทั้งหลายค้าขายยาพิษแต่ข้าพเจ้าจะตั้งใจในการที่ประกอบสมมาอาชีพที่มีปัญญามีความดําริชอบ เป็นตัวนําทางข้าพเจ้าจะทํากายสุจริตสามวจีสุจริตสี 4, มโนสุจริตสามให้เป็นไปกับพระธรรมคําสอนของพระศาสดามาวันนี้มาที่พระคัณฑกูดีของพระศาสดามาประทับจิตใจของข้าพเจ้าให้มีคุณของพระรัชนตรัยอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องอย่างตั้งมั่นไม่หวั่นไหวข้าพเจ้าจักไม่หวั่นไหวต่อพยั น, อนยอ์อันตรายต่างๆอุปสรรคอันตรายต่างๆ ข้าพเจ้าจากเจริญสัมมาวายามะละบาปอกุศลธรมรมะลามกที่เคยเกิดแล้วป้องกันบาปอกุศลธรมรมะลามกที่จะตามมาเบียดเบียนกระแสชีวิตของข้าพเจ้าจากตั้งใจในการเจริญทานศีลภาวนาให้แข็งแรงพัฒนาทานศีลภาวนานั้นให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตามรอยบาดภาษาสดาข้าพเจ้าจะมีสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิคือการตั้งมั่นไม่หวั่นไหว กำจัดความฟุ้งซ่านลำคาญใจในกระแสจิตของข้าพเจ้าให้ได้ข้าพเจ้าจักเจริญสติตามระลึกถึงสิ่งที่กระทําคําที่พูดทั้งหลายได้ข้าพเจ้าจะระลึกในทางกุศลเมื่อกุศลเกิดขึ้นแล้วจะให้จะระลึกว่าจะให้จิตของตนเองนั้นน่ยไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาจะให้จิตของตนเองนั้นเน่ย เป็นไปกันในการระลึกถึงกุศลได้อย่างยาวไกลข้าพเจ้าเริ่มมาจากประเทศไทยตั้งแต่วันที่22มาเฝ้าพระบรมศาสดาที่ภูเขาคิชกุตที่ชีวะกาอัพพวันที่วัดเวรุวันที่นารันธามหาวิหารสถานที่ที่อัครส า, าวกของพระบรมศาสดาปรินิพานที่ตรงนั้น ข้าพเจ้าก็ไปซบศีรษาในการกราบในการไหว้ในการระลึกเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นข้าพเจ้ามาระลึกถึงคำสอนของภาษาสดาไปเฝ้าภศษาสดาถึงสถานที่ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้าพเจ้าไปซบศีรษนที่ใต้เบื้องบาตรภษาสดานะสถานที่ตัดสรู้ที่อปลาชิตบัลังที่ต้นพระีมหาโพ ที่อนิมิสเจดีที่รัตนจงกรมเจดีรัตนคระเจดีอาชาปารณิโคเจดีข้าพเจ้าไปบูชาพระศาสดาณสถานที่มุชจลินเจดีแล้วราชายาตนาเจดีสัตตมหาสถานเจ็ดแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายไปนอบน้อมไปบูชาไปถวายอามิสบูชาธรรมธรรมะบูชายเกิดขึ้นแล้ว ข้าพเจ้าไปบูชาสถานที่เสด็จแสดงธรรมจักกับประวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีทั้งห้าที่ยัสสาเจดีที่อนัตตละนาสูตรให้ปัญจวัคคีทั้งห้าเป็นพระหันตลอดถึงสถานที่ที่พระหันตาเจ้าทั้งหลายบรรลุหกสิบรูปรวมกับพระศาสดาเป็นหกสบอ็ดองในครั้งนั้นข้าพเจ้าก็ไปนอบน้อมบูชามา และข้าพเจ้าไปบูชาสถานที่พระศาสดาเสด็จดับขันทปรินิพานที่กุสินาราที่มกุฏพันธนัเจดีข้าพเจ้านอบน้อมบูชาด้วยเสียงกล่าวข้าพเจ้ามาบูชาพระศาสดานสถานที่เชตวันมหาวิหารปุกพาลามเป็นต้นวันนี้เป็นบุญญาลาภของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าได้มานั่ง ใต้เบื้องบาทรพระศาสดาข้าพเจ้ามาซบศีรษะใต้เบื้องบาทรพระศาสดามาเฝ้าพระศาสดาที่พระคันนกุดีเหมือนอย่างที่ท่านพระอนุนพาสัที่วิหารลิกเดินทางมาจากสถานที่ปรินิพานของพระศาสดาหลังจากมีการเผาบรมศพแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแล้วท่านพระอนุนพร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่ก็จาริกมาจากกุสินารา มาเฝ้าพระศ า, าสดาณสถานที่ตรงนี้มาเห็นกุฏีของพระบรมศาสดาที่เต็มไปด้วยอยากเยื่อเต็มไปด้วยของไม่มีคนทําความสะอาดเพราะสมัยนั้นพระอริยบุคคลทั้งหลายบุคคลที่นับถือพระศาสดาทั้งหลายต่างไปเฝ้าพระศาสดาที่อุศินรากันหมดพันผ้านอนกลับมาท่านสะดุ้งสะเทือน เกิดยานปัญญาเกิดขึ้นเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายมาในสุดท้ายปลายหลังมาเห็นมูลคันุกดีของพระศ า, าสดาณนะสถานที่ตรงนี้ข้าพเจ้าก็สะดุ้งสะเทือนจิตใจอย่างยิ่งว่าตอนนี้เหลือซากอิดหักผุผผพั ง, งแต่ยังมีสถานที่ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมากราบไหว้มาสักการะมาบูชาพระศ า, าสดา ข้าพเจ้าน้อมเห็นคุณของพระศ า, าสดาที่มาในฐานะของพระธรรมข้าพเจ้าจะเดินตามเยี่ยงอย่างที่ท่านพระอานุนเถระปฏิบัติมาข้าพเจ้าจะมาปฏิบัติบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้ามีดอกไม้ของหอมผ้าผ่อนท่อนสบายทั้งหลายมีน้ำจะมาถวายพระศาสดามีของหอมมีอาหารจะมาถวายพระศาสดามีผ้าตรายจีวรจะถวายพระศาสดา มีดอกไม้จักมาบูชาพระศาสดาข้าพเจ้าจักมาอุปถากคพระศาสดาตามเยี่ยงอย่างที่ท่านพรานรนเคยทํามาข้าพเจ้าตั้งศรัทธามุ่งมั่นไม่หวั่นไหวเพื่อจะเดินตามรอยบาทรพระศาสดาขอพระศาสดาโปรดจําข้าพเจ้าไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นบริษัทของพระศาสดาจะเชื่อฟังคําสอนของพระศาสดาอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหว ข้าพเจ้าจะเอาศีลสมาธิปัญญานำศรัทธาสตินำความระยต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปนำหิริโอตปะดังกล่าวแล้วก็นำศีลนำสุตตะคือการปังพระสัทธรรมจะทำจารคือจิตทิคิสละถวายเป็นพุทธบูชาจะทำปัญญาเห็นว่าพระศาสดามีพระคุณต่อข้าพเจ้าย่างใหญ่หลวง ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นน้อมที่จะศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างมั่นคงขอพระบรมศาสดาโปรดจาข้าพเจ้าทั้งหลายว่าเป็นบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้าจากเดินตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมการประพฤติปฏิบัติดีของพระอริยสงฆ์ตาเจ้าทั้งหลาย วันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสอย่างยิ่งในการมากราบพระบรมศ า, ศาสดาณสถานที่ที่พระองค์นั้นทรงกล่าวพระธรรมอย่างมากมายพระาศาสดาสแสดงพระสัทธรรมโปรดเวนยศัตว์เวนยชนให้พ้นจากสังสารวัตบอกว่า84ิสอาสองไข ประมาณสัตห์หาประมาณไม่ได้ที่ได้ตัดสรุ้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็มาตั้งปฏิญญาว่าพระผู้เมีภาคเจ้าตัดสรุปทำเหล่าใดขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสตัดสรุปตามพระาศาสดาด้วยเถิดด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมใจเชื่อยอย่างมั่นคงไม่วันไหวด้วยจิตเลื่อมใสด้วยใจที่เด็ดเดียวมีความเพียรในการที่จะประครองกุศลให้เกิดขึ้นยาวๆมีสติ ในการระลึกถึงการกระทําที่เป็นไปกับบุญกุศลได้จิตของข้าพเจ้าจกไม่วอกแวกจะตั้งมั่นในคุณของพระศาสดาฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเราจะบูชาพระศาสดาอย่างไม่หวั่นไหวในกระแสะจิตใจของเราท่านทั้งหลายเดี๋ยวเราท่านทั้งหลายจะขึ้นไปบนนะเดี๋ยวช่วยกันถือของแล้วเราจะขึ้นไปที่พระคันในกุฏิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนจะขึ้นไปเดี๋ยวเราขอขมาพระศ า, าสดาก่อนครั้งหนึ่งนะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหนา้าตีเตียนันใดที่ข้าพเจ้ากระทํำแล้วในพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าโปรดงวดซึ่งล้งดนั้นเพื่อการสํารวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไป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 เพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปน้อมใจขอเข้ามาเพื่อจะขึ้นไปบูชาพระาศาสดาที่พระคันตะดีขอภัยโทษทั้งหลายอย่าได้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะค่อยเดินขึ้นไปด้วยใจที่เลื่อมใสจะไม่ใช้ทุจริต ท, ทางกายทางวาจาทางจิตใจในการเดินไปเฝ้าพระาศาสดาถึงที่ประทับของพระาศาสดาอย่างเด็ดขาด ข้าพเจ้าจักสำรวมระวังในการเดินถือเครื่องสการาบูชาขึ้นไปนะตั้งใจเอาช่วยกันลุกขึ้นมีศรัทธาเลื่อมใ ส, ม ส, ใ, สในพระผู้มีพระภาคเจ้ า, า, จาขอนอบน้อมบูช า, พ ร, ชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยใจเคารพเอือ้อเฟื้อ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมศรัทธาเจตนาปัญญาที่เป็นมหากุศลญาณสมประยุทธ์เพื่อบูชาพระรัตนตรัยกุศลและจิตที่เกิดขึ้นเป็นจิตที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุข สามารถให้ผลเกิดขึ้นมากกว่าตนทั้งเป็นเบื้องตน้นของฌานอภิญญามากผลข้าพเจ้ า, าจัาจากนอบน้อมด้วยมหากุศลจิตตุประบาทาาที่มีศรัทธาเจตน า, า, าและปัญญา เป็นประธานเกิดขึ้นก่อนกิริยานอบน้อมเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการนอบน้อมศรัทธาที่เป็นเหตุแห่งการนอบน้อ ม, มข้าพเจ้าจะเอาศรัทธาเจตน า, า, านและปัญญ า, ปญญาเป็นประธาน ซึ่งเกิดขึ้นก่อนกิริยานอบน้อมข้าพเจ้านำสักการะทั้งหลายมีจีวรผ้าที่งดงามดอกไม้ของหอมอาหารมาถวายพระศาสดา ณสถานที่เชตวันที่พระคันกดีของพระศาสดามหากุศลจิตุประบาทที่เกิดขึ้นด้วยการนอบน้อมนี้ข้าพเจ้าจะทาจิตให้เลื่อมใสทำให้เกิดความปลาโมดคือผ่องใส เพื่อเป็นปัจจัยแก่ปีติเพื่อเป็นปัจจัยแก่ความสงบเพื่อเป็นปัจจัยแก่สุขสมนัตมีความยินดีมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งเพื่อจะได้เป็นประทัสฐานของสมาธิเพื่อความเข้าใจให้ถูกต้อง ในคุณของพระศาสดาเห็นโทษของสังสารวัตวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายนาสักการะทั้งหลายที่ข้าพเจ้าปรุงแต่งมาดีแล้วถวายพระศาสดาขอพระศาสดาโปรดรับสักการะ ของข้าพระเจ้าทั้งหลายที่นำมาบูชาดีแล้วในครั้งนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายจักตั้งใจในการระลึกถึงคุณของพระศาสดาณสถานที่แห่งนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอตั้งมโนปณิธาน นอบน้อมถึงคุณของพระศ า, าสดาว่าพระศาสดาประทับณที่ตรงนี้เป็นเวลายาวนานทรงสแสดงธรรมโปรดเวนิยศตว์อย่างมากมายพระธรรมที่ออกจากหาไทยของพระศาสดา ออกจากพระโอษของพระศาสดาเป็นพระธรรมเนรมิตพระสงฆ์สาวกของพระศาสดาให้อุบัติเกิดขึ้นอย่างมากมายข้าพระเจ้าทั้งหลายนำสักการะมาบูชาพระศาสดาแล้ว จักระลึกไว้อย่างมั่นคงว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีจิตเลื่อมใสมาถวายสการะแด่พระศาสดาและปฏิญญาณขอเป็นเบื้องท่าท่เบื้องบาทพระศาสดาขอพระศาสดา โปรดจำข้าพเจ้าทั้งหลายว่าเป็นบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าข er> ้าพเจ้าจักตระหนักในพระคุณของพระศาสดาตระหนักในพระคุณของพระธรรมตระหนักในพระคุณของพระสงฆ์ ข้าพเจ้าจกตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยไม่หวั่นไหวมาวันนี้มาเข้าเฝ้าพระศาสดาถึงที่ประทับข้าพเจ้าจะยังจิตให้เลื่อมใสขอนอบน้อมพระศาสดาอย่างมั่นคง เราทั้งหลายตั้งใจบนนมือนะมองไปข้างหน้าดูจีวรซึ่งเป็นประทานดูผ้าที่มีความงดงามหลากสีถวายเป็นพุทธบูชาแล้วเราได้ดีแล้วบุญกุศลเกิดแล้วในขณะที่ตั้งเจตนานอบน้อมสละให้อย่างแท้จริงสละบูชาอย่างแท้จริง ตั้งศรัทธาเชื่อมั่นต่อคุณของพระรัตนตรยัยเจตนาศรัทธามีปัญญาเห็นคุณว่าพระศาสดาประทับหนาที่ตรงนี้พระศาสดาทรงอนุญาตให้เรามาเฝ้าพระศาสดาในครั้งนี้ลมหายใจยังมีเรามีโอกาสเฝ้าพระศาสดาอย่างใกล้ชิด ทำจิตให้ผ่องใสให้เลื่อมใสให้เชื่อมั่นและให้มีความเด็ดเดีดเด่ยวในคุณของพระรัตนตรัยอย่าไปเห็นแก่นร้อนแดดจะแผดเผาขนาดไหนแต่ใจเราก็จะเป็นไปกับกุศลอย่าไปกังวลร่างกายนะั้นมันแตกดับมาหลายภพหลายชาติแล้วแต่การได้เพาพภะศ า, าสดาโอกาสมันน้อย เราทั้งหลายเป็นสัตว์ที่ต่ำต้อยเนอือเป็นสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากอยากกังวลเรื่องอื่นมองจีวรประทับให้ไว้ในตรึงตาตรึงใจให้เห็นสีของจีวรเห็นสีของผ้าเห็นอาหารเห็นเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้สอยทั้งหลายที่เราน้อมถวายเป็นสการะบูชาเปลี่ยนอามิ s บูชาให้เป็นกุศล ทำศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงในวันที่ท่านพระอานุ น, นเถระไปเฝ้าพระบ ร, รมศาสดาหลังจากที่พระาศาสดาปฏิิพานธ์พระอนุนก็มาปัดกวาดคันกุดีหน้าที่ตรงนี้แหละมาเช็ดขยะอยากเยื่อทั้งหลายเหล่าเนี้ยท่านพระานมก็ร้องนะร้องไห้ตอนนั้นนะ เหตุที่ร้องไห้เพราะท่านพระนนมีความรักในภาษาสดานั้นเป็นปลาโม ท, ที่เกิดขึ้นกับท่านนะแต่ถ้ามองอีกทีก็คือว่าท่านยังละโทสะไม่ได้แต่เราท่านทั้งหลายไม่ได้มาแบบนั้นเรามาให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในภาษาสดาว่าเราได้มีโอกาสมาเป้าภาษาสดาแล้วอย่า ก, กังวลเรื่องอื่นแต่ให้ใส่ใจในคุณของภาษาสดาเท่านั้น ว่าเรามาถวายสการะน้อมทําธรรมบูชาให้เกิดขึ้นในใจทําจิตใจให้พ่องใสในการที่เห็นคุณของพระาศาสดาว่าเรามีโอกาสในการเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายสการะทั้งหลายในการที่จะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้มานั่งในพระคันนากุดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย เพื่อมาการาบพระศาสดาในการที่จะเดินทางกลับนะวันนี้เป็นต้นด้วยเราท่านทั้งหลายโอกาสในการมาอยู่ณนะสถานที่เหล่านี้มันหมดเวลาลงแล้วนะหมดเวลาแล้วเรามีโอกาสเพียงครั้งนี้โอกาสต่อไปมันมีความไม่แน่นอนของกระแสชีวิตเลยไม่ทราบว่าเราจะมีโอกาสมาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆวั น, นนี้เรามีโอกาสมาแล้ว หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่ผิดพลาด ท, ที่ผ่านมาเราท่านทั้งหลายจะสังเกตเราจะเห็นเราเคยทําผิดมาก็เยอะหมดเลยโดยเฉพาะในสังสารวาัตรที่ผ่านมาพระเจ้าชาติศัตรูไปเฝ้าพระศาสดาเพราะทําปีตุฆ่าคือฆ่าพ่อแล้วไปฆ่าสาวกของพระเจ้าโอ้พระเจ้าชาติศัตรูไม่กล้ามองร พ, พระพักพระศาสดาเกรงกลัวพระบรมศาสดามาก อยู่ต่อมาชีวะหมอชีวะโกมาลพัทพาพระเจ้าชาติศัตรูไปเฝ้าพระบรมศาสดาได้ไปประกาศบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าผิดไปแล้วข้าพเจ้าทําบาปกรรมมากข้าพเจ้าข้าพ่อข้าพเจ้าข้าพระอริยะบาปกรรมมนี้อยู่ในกระแสใจของข้าพเจ้าสะดุ้งสะเทือนอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้ามันคนบาปนะข้าพเจ้ามันคน ทำผิดพลาดขออดขอให้พระาศาสดาอดโทษแก่ข้าพเจ้าโดยเถิดเรานั่งณนะที่ตรงนี้เราก็ไม่ต่างอะไรจากพระเจ้าชาติศัตรูในอดีตนะแต่ตอนนี้พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยท่านอยู่ในโลหกุมพีอุสถนรกนะโยมเนะีท่านไปตกนรกแต่พระเจ้าชาติศัตรูจะมีโอกาสเป็นพระปัจเจกับพพุทธเจ้ามีนามว่าชีวิตวิเศษนะ เราท่านทั้งหลายเราเคยทํากรรมชั่วมาในอดีตในสังสารวัตรแต่เราไม่รู้ตัววันนี้มาขออดโทษจากพระาศาสดาขอให้พระาศาสดาอดโทษล่วงเกินที่ได้กระทําผิดในการที่ไม่เชื่อฟังคําสอนของพระาศาสดาไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จ สอเสียดคำหยาเพื่อเจอไปโลภไปโกรธไปมีความเห็นผิดวันนี้ขอให้菩าสดาอดโทษให้กับข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยน้อมใจขอขอมา菩าสดาตั้งมั่นต่อไปจักไม่ทําผิดต่อพระพุทธเจ้าจักไม่ทําผิดต่อพระธรรมจักไม่ทําผิดต่อพระอริยสงฆ์จะประทับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจะประทับพระรัตนตรยัยให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในกระแสของชีวิต นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันนี้มีโอกาสมาเฝ้าพระศาสดาได้ประกาศความผิดพลาดของตนเองที่เคยกระทํามาและจักยืนยันต่อพระบรมศาสดาว่าต่อไปข้าพเจ้าจะประพฤติดีปฏิบัติชอบจะประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตจะทําศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทําศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้ เจริญพัยบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปมานั่งณนะสถานที่ตรงนี้ไม่เห็นคุณของพระาศาสดาใจของข้าพเจ้าหนาะในสมัยก่อนหนามากแต่มาวันนี้ข้าพเจ้ากําจัดจิตที่หยาบเหล่านั้นออกจากใจได้แล้วเห็นคุณของพระาศาสดาอย่างชัดเจนมากขึ้นเกรงใจพระาศาสดาเคารพพระาศาสดานอบน้อมต่อพระาศาสดาด้วยกาย ด้วยวาจาด้วยจิตใจอย่างแท้จริงต่อไปจักเป็นลูกที่ดีของพระพุทธเจ้าจักไม่เป็นลูกที่ทุสินจักไม่ทาผิดในสินจักไม่เป็นลูกที่ประมาทมัวเมาอีกต่อไปแล้วจักเป็นลูกที่มีชันทะอย่างแรงกล้าในการที่จะปรารถนารับธรรมมรดกของพ่อให้ได้จักเป็นลูกที่มีความเพียรอย่างแรงกล้าตราบใดยังไม่ได้บรรลุ คุณธรรมชั้นสูงจะไม่หยุดความเพียนเนื้อและเลือดจงเหือดแห้งหายไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้บรรลุถึงความหลุดพ้นครับทีเจ้าจักไม่หยุดความเพียนจัจกไม่หยุดในาการเดินกุศลจะไม่หยุดหย่อนอย่างเด็ดขาดจักทำความเพียรให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงเดินตามรอยพ่อเดินตามรอยบาทศาสดาจักมีจิตจดจ่อ อยู่ตลอดเวลาตราบใดยังไม่เข้าถึงกระแสะของความดีไม่หยุดใจของข้าพเจ้าจะตั้งมั่นในคุณของพระรัตนาไตรผูกพันกับคุณของพระัตนาไตรจะกกระทำอะไรก็จะถามพระศาสดาว่าอันนี้ควรทําจิงจะทําถ้ามันเป็นความผิดคําสอนของพระศาสดาข้าพเจ้าปฏิญญาณว่าจะไม่ทําอย่างเด็ดขาดจะมีปัญญาเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเห็นโทษ ของสังสารวัฏเห็นว่าพระเทวทัตไปตกอยู่ในอเวจีมหานรกเห็นว่าพระเจ้าชาติศูไปตกอยู่ในอุสทะนรกไปโลหกุมพีอุสทะนรกไปเห็นว่าเปรตของพระเจ้าพิมพิญาติของพระเจ้าพิมพิสารพากันลงอบายแล้วก็มาพน้นโทษพ้นภัยที่เวดูวันก็พระเจ้าก็จะเห็นโทษของสังสารวัฏ เห็นว่าคนที่ทำผิดต่อพระศาสดาอย่างพระเทวทัตก็มาจมธรณีนะใกล้ๆเชตวันมหาวิหารตรงนี้นี่แหละนางกินจะมานาวิกามากล่าวตูพระศาสดาก็โดนแผ่นดินสูบเข้าไปสูบ ป, ป่าพุทธะ เอาทหารมาล้อมพระศ า, าสดาล้อมภิกษุสองไม่ให้ออกบินดาบาสุปาพุทธาก็ถูกเอเวจีมหาร์ตกลงไปในเอเวจีมหานรกแผ่นดินก็รองรับท่านเหล่านี้ไม่ได้ท่านที่ปฏิบัติที่ผิดต่อพระศ า, าสดาพากันวิบัติหมดแล้วข้าพเจ้าจักไม่ปฏิบัติผิดต่อพระผู้มีรพระภาคเจ้าจะน้อมปฏิบัติถูกพระสารีบุตรพระโมกขาราณนะพระอนนทพระมหากัจจปพระนุรุธทธาเป็นต้น พระมหกาการยานะอีกมากมายที่ข้าพเจ้าไม่ได้เอ่ยนามมาท่านเหล่านั้นเดินตามคําสอนของพระาศาสดาพระเดินตามคําสอนเดินตามลายแทงที่พระาศาสดาบอกไว้ก็สามารถออกจากวงล้อมของศัตรูออกจากวงล้อมของกิเลสออกจากวงล้อมของภัยทั้งหลายมีชาติการเกิดชะลาความแก่พยาธิความเจ็บไข้เมรณะความตายได้ ข้าพเจ้าจักเชื่อพระศาสดาจักไม่กระทําผิดต่อพระศาสดาข้าพเจ้าเห็นโทษของบุคคลเหล่าอื่นที่ปฏิบัติผิดต่อพระศาสดาข้าพเจ้าเห็นคุณของบุคคลที่ปฏิบัติตามพระศาสดาได้รับผลได้จริงข้าพเจ้ารู้เหตุผลแล้วว่าการสร้างอดีตเหตุมาดีข้าพเจ้าทั้งหลายจึงมีโอกาสมาเฝ้าพระศาสดาในวันนี้มีโอกาสมาฟังธรรมเด็ข้าพเจ้าจักกระทําปัจจุบันเหตุ ให้มั่นคงในการที่จะเป็นปัจจัยต่อการเดินตามรอยบาทาศาสดาเดินตามรอยพ่อให้ถูกต้องจะรับธรรมมรดกของพระปรมาสดาพระาศาสดาคายอามิตรหมดสิ้นแล้วแต่ข้าพเจ้าเห็นอามิตร ย, ยังมีสาละข้าพเจ้าเอาอามิตรมาบูชา菩าสดาเพื่อจะได้เป็นปัจจัยต่อธรรมบูชาคือศีลสมาธิปัญญาข้าพเจ้าตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของ菩าสดามานั่ง ถวายเป็นพุทธบูชาเดีพระศ า, าสดามาทำสรีระที่ไม่มีความงามกระแสของชีวิตที่ไม่มีความเที่ยงไม่มีความสุขอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้ามาวันนี้จะทำศรัทธาที่เป็นสาระให้เกิดขึ้นจะทำวิริยะสติสมาธิปัญญาให้ตั้งขึ้นจะทำศีลสมาธิปัญญาให้ตั้งขึ้นพร้อมกันนั้นข้าพเจ้าจะตั้งใจในการเจริญสติปัฏฐาน จะเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเจริญจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติคำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียได้จะพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติคำจัดอภิชาและโทมนัตเสียได้ จะพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติการจัดอภิชาและโทมนัตในโลกจะได้จะพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติการจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเะได้จะเจริญสมัมมปทานสี่อิทิบาสีอินทร 5, ียห้าพละห้าโพชงเจ็ด จะเจริญมักมีองค์แปดคือจะเจริญสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบถวายเป็นพุทธบูชาจะเจริญสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบถวายเป็นพุทธบูชาจะเจริญสัมมาวาจาการกล่าววาจาที่ชอบที่เว้นจากวจีทุจริตสีถวายเป็นพุทธบูชาจะจะเจริญ สัมมากรรมัตตะคือเว้นจากการยทุจริตสามถวายเป็นพุทธบูชาจะเจริญสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพที่ชอบถวายเป็นพุทธบูชาจะเจริญสัมมาวายามะคือการเพียนชอบยกจิตให้เป็นไปกับกุศลถวายเป็นพุทธบูชาจะเจริญสัมมาสติคือการเจริญสติปัฏฐานสี่มีกายานุปัสนาเป็นต้นถวายเป็นพุทธบูชาจะเจริญสัมมาสมาธิ คือทำอุปจาแลสมาธิอัปนาสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌ า, านตัติยฌ า, านจตุฌานเจริญอรูปฌานที่หนึ่งสองสามสี่คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวะสัญญาณาสัญญายตนะตั้งมั่นจะเอาอาริยะจะเอาทรัพมรดกธรรมะมรดกรนี้ถวาย菩าสดาให้ได้ในอนาคตอันใกล้วันนี้ข้าพเจ้ามุ่งมั่นในการมาตั้งปติญญาเพื่อจัก เอาธรรมบูชาที่เป็นปุพพะพาของ <c oughs> โลกุตระนั้นทำนั้นให้เกิดขึ้นในกระแสใจให้ไดในอนาคตมาปฏิญญาณต่อหน้าพระศาสดาว่าขอบูชาพระศาสดาข้าพเจ้าทั้งหลายจักประมวลเอาความคิดที่เป็นไปกับกุศลทั้งหลายดอกไม้นานาพันธุ์ที่เกิดในเชตวันมหาวิหารดอกไม้นานาพันธุ์ทั้งหลายที่เกิดในชมพูทวีปทั้งสิน้น ผ้าทั้งหลายผ้าไหมทั้งหลายผ้าทุกกูระทั้งหลายผ้าแพรทั้งหลายที่มีความงดงามด้วยสีต่างๆเหล่านี้ตลอดถึงผ้าในโลกของนาคในโลกของมนุษย์ของเทวดาและของพรหมทั้งหลายของทิพนาณาพันธุ์ทั้งหลายข้าพเจ้าจะประมวลเอามาด้วยใจถาวายเป็นพุทธบูชา สิ่งของที่งามงามสิ่งของที่เป็นหน้ายินดีน่าเพลิดเพลินทั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้าประมวลเอาสิ่งเหล่านั้นถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระาศาสดาข้าพเจ้ามาชมภูทวีปมาแดนแห่งการตัดรู้สัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้ามาแดนพุทธภูมิมาในดินแดนที่พระาศาสดาทรงใช้สอยบริโภค กุศลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการก้าวแรกที่ข้าพเจ้าเหยียบพื้นแผ่นดินในพุทธภูมินี้กุศลที่เกิดขึ้นในกระแสใจของข้าพเจ้าที่เป็นไปกับทานกุศลที่เป็นไปกับเจตนาทานที่เป็นไปกับอะโลภทานที่เป็นที่เป็นไปกับวิรติทานที่เป็นไปกับความไม่โลภความไม่โกรธที่เป็นไปกับปัญญาที่เป็นไปกับ เวรติฐานที่เป็นไปแก่การไม่ก้าวร่วงบาปอกศุศลธรรมลามกทั้งหลายที่เป็นไปกับกายสุจริสามวจีสุจิริสี่มโนสุจริสามกุศลใดๆศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และตั้งแต่อัตภาพก่อนจนถึงอัตภาพนี้และที่จะเกิดต่อไปทั้งหลายทั้งสิ้นขพเจ้าคอนอบน้อมกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมด ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายสัพ พ, สพัญยุทถวายแด่บูชาพระสัพพัญญตวรยานอนาวารณญญาณอินทรียาปรโรปปรยิยติยานมาหากรุณาสมาปัฏิยานยมกะปฏิหาริยานอาสยานุสยายานอนาวารณาญาณของพระศาสดาเป็นต้นขอถวายสมาบัดสองล้านสี่แสกว่สมาบัตดของพระศาสดา ขอนำสิ่งของเหล่านั้นทั้งภายในและภายนอกทั้งภายนอกและภายในน้อมถวายเป็นพุทธบูชาขอพระศ า, าสดาโปรดรับสักการะของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยนะโมตัสสะเบาขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะตัสสะเบาขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะบรกวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพระเจ้าทั้งหลายข อ, อน้อมถวายผ้าไตรจีวรผ้านานาพัน์และเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งของทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าประมวลไว้ด้วยใจทั้งสิ้นขอน้อมนำสิ่งของเหล่านั้ น, น, นถวายเป็นพุทธบูชาณนะมูลคันกุดีของพระาศาสดาแห่งนี้ขอบูชาพระศัทธรร ม, ร ท, รรมที่เกิดขึ้นในหาไทยของพระาศาสดาทั้งสิ้นขอบูชาสงสาวกของพระาศาสดา ที่พระศา <at> สดาทำให้พ้นทุกข์ไปแล้วประมาณแปดสิบสี่โยศขอภัยประมาณแปดสิบสี่สอสงไขยและขอบูช า, พ ร, ชาพระรัระต น, นตรัย ท, ทั้งที่ในอดีตปัจจุบั น, บนและอน า, า, า, าคตข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิต ถวายเป็นพุทธบูชานะครั้งนี้ด้วยอำนาจแห่งการสการ ะ, ะบูชาในครั้งนี้ขอให้เป็นปัจจัยให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์งงคในการอันควรด้วยเธิดแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเงา แห่งบวรพระพุทธศาสนาได้ครบสัตว์บุรุษผู้รู้ธรรมันประเสินมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดถ้ำกลางกระยาณมิตรเป็นสัมมาทิฏฐุกชาติไปมีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมและประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญายาณ ตามส่งในชาตินี้และชาติต่อไปจนถึงพระนิพพานในการอันควรด้วยเทินสาธุสาธุสาธุมอบลงขอขมาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีํำหน้าตีเทียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าโปรดว่าซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อการสํารวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทําหน้าทีเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมขอพระธรรมโปรโดงดซึ่งโทษ ร, ร่วงเกินนั้นเพื่อการสํารวมระหวังในพระธรรมในการต่อไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีคาหน้าทีเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรร์